ช่วงเวลาที่เรากําลังสร้างบารมีบางครั้งก็ต้องพบเจอกับอุปสรรคและความยากลําบากถึงถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจะหล่อหลอมให้เรานะ่มีจิตใจเข้มแข็งและเป็นเครื่องทดสอบกาลังใจว่าเรามีหัวใจของนักสร้างบารมีเต็มเปี่ยมขนาดไหน เมื่อเรือที่ออกทะเลกว่าที่จะถึงจดหมายปลายทางได้ต้องฝ่าฟันระลอกคลื่นลูกแล้วลูกเล่าระลอกแล้วระลอกเล่าจนสามารถไปถึงฝั่งได้สำเร็จการสร้างบารมีกระเชนเดียวกันแล้วตั้งฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆนานาประการไปให้ได้เพื่อไปสู่ฝั่งคือที่สุดแห่งธรรม การปฏิบัติธรรมเป็นประจำสม่ำเสมอจะทำให้ใจของเรานะ่ะมีพลังสามารถเอาชนะอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้ทุกอย่างและหากเราเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้เมื่อไรเมื่อ น, นั้นน่ะเราจะมีกำลังใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคทั้งมวล แต่ปศักทั้งหลายจะหวั่นไหวต่อผู้มีใจหยุดนิ่งได้อย่างสมบูรณ์มีพุทธศาสนสุภาษิต ท, ที่พระบรมศาสดาตรัสไว้ในคาถาธรรมบทว่าบุคคลไม่ควรทำความดูหมิ่นบาปว่ามีประมาณน้อยจักไม่มาถึงม่อนน้ำยังเต็มด้วยหยาดน้ำ ที่ตกลงมาทีละหยาดได้ฉันใดคนพายมาสั่งสมบาปทีละ น, น้อยน้อยย่อมเต็มไปด้วยบาปได้ฉันนั้นเหมือนกันรับรมศาสดาตรัสเตือนพุทธบริษัททั้งหลายไม่ให้ดูมินดูแลนถึงสิ่งต่อไปนี้ว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยคืออย่าดูถูกพระราชาว่ยังทรงพระยาว รักษัตร์บางพระองค์แม่อายุยังน้อยแต่ก็มีอำนาจมากมีอานุภาพมากเป็นมหาราชตั้งแต่ยาวัยเช่นพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชเป็นต้นเป็นมหาราชตั้งแต่อายุเพียงยี่สิบปีเศษเท่านั้นปกครองประเทศต่างๆไปครอบโลกทีเดียวยาดูถูกงูพิษตัวเล็กลอกกัดแล้วก็ตายได้เช่นเดียวกัน ถึงแม้ตัวจะเล็กแต่ก็ไม่พิษร้ายกาศจะดูถูกว่าไฟเพียงเล็กน้อยเพราไม่ขีดเพียงก้านเดียวอาจเผาเมืองได้ทั้งเมืองและประการสุดท้ายจะได้ดูถูกสมณะวัยยังหนุ่มเราะสมณะบางรูปแม่อายุยังน้อยแต่มีคุณธรรมสูงส่งในสมัยพุทธกาล สมณีนบางรูปอายุเพียงเจ็ดขวบก็ บ, บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์กันแล้วสิ่งต่างๆางเหล่านี้พระพุทธองค์ตรัสว่าอย่าได้ประมาทกันนะจ๊ะอย่าไปดูหมิน่นดูแคลนเพราะความหายันะใหญ่โตที่เกิดขึ้นล้วนเกิดจากความประมาทในเรื่องเล็กน้อยทั้งนั้นมีจุดเริ่มต้นเพียงจุดเล็กๆ แล้วขยายใหญ่จนไม่สามารถควบคุมได้แม้ในเรื่องบาปอากุศลก็เช่นเดียวกันโรงตรัสเตือนเอาไว้ว่าจะได้ประมาทกันเพราะบาปกรรมเล็กๆน้อยๆที่ตนทำเอาไว้ก็ไม่ร้ายผลบางครั้งอาจส่งผลร้ายจนกระทั่งบางทีเราเองก็ฆ่าไม่ถึงเหมือนกัน บางท่านทำบาปกรารเล็กน้อยแต่ทำบ่อยๆเราคิดว่าทำแล้วไม่เห็นส่งผลในปัจจุบันคือมองไม่เห็นด้วยตาที่เรียกว่าทิฏฐธรรมะเวทนิยกรรมก็เลยคุ้นกับการทำบาปพอทำบ่อยเข้าก็จะรู้สึกเฉยเฉยไม่คิดว่าเป็นบาปอะไรตรงนี้อันตรายมากเพราะจะเป็นเหตุให้ไปทาบาปอย่างอื่นที่หนักขึ้น ฉะนั้นน่ดีที่สุดจะได้ไปทำบาปกรรมแม้เพียงเล็กน้อยก็ตามเหมือนกับเรื่องราวตัวอย่างที่หลวงพ่อจะได้นำมาเล่าพิรุธาหอนให้ฟังกันในวันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าบางครั้งเราเองก็เผลอไปทำบาปโดยรู้เท่าไม่ถึงการบางทีก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นบาป พอรู้อีกทีก็สายไปเสียแล้วก็ต้องไปเสวยวิบากกรรมที่เกิดขึ้นอย่างคาดไปถึงเรื่องมีอยู่ว่าในสมัยพุทธกาลเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเจตวันมหาวิหารเจ้าลิชวีนามว่าอัมพสักขระครองราชอยู่ในพระนครเวสาลีโลงเป็นมิจฉาทิฏฐิ เป็นผู้ที่ไม่ทรงเชื่อเรื่องบุญและบาปส่วนพ่อค้าคนหนึ่งเป็นคนดีมีศีลธรรมชอบสันเสริญความดีของผู้อื่นอยู่เสมอมีอยู่วันหนึ่งพ่อค้าได้เห็นถนนหนทางเป็นหลุมเป็นบ่อมีเปลือกตมมากผู้คนสัญจรไปมาด้วยความยากลาบากบางคนต้องคอยกระโดดข้าม บางคนก็ประเปื้อนขลนตมเขาจึงได้นำกระหลกศีษะโคแหง้งซึ่งมีสีขาวเหมือนกับหอยสังมาวางทอดเป็นทางไว้ต่อไปคนสัญจรไป ม, มาได้สะดวกสบายเมื่อพอค้าเห็นผู้คนเดินทางไปมาสะดวกขึ้นก็ปลื้มใจในบุญที่ตนได้ทำต่อมาภายหลังมีอยู่วันหนึ่ง เขาได้ชักชวนเพื่อนๆไปอาบน้ำที่เหม็นน้ำพอเสื้อผ้าทิ้งไว้ที่ริมฝั่งจากนั้นพ่อเขาได้ขึ้นมาจากน้ำก่อนเลือไปเห็นเสื้อผ้าของเพื่อนที่ถอดกองไว้ก็เกิดนึกสนุกขึ้นมาเลยนำเสื้อผ้าของเพื่อนไปซ่อนไว้เพื่อจะล้อเล่นแต่บังเอิญว่ามีเหตุด่วนที่จะต้องรีบกลับบ้าน เลยลืมมาเสื้อผางเพื่อนมาคืนไว้ที่เดิมพอเพื่อนขึ้นมาจากน้ำต่างพากันเดินหาเสื้อผางตนมุ่งหม่พบกับพากันเดินเปลือยกายกลับบ้านเดืรับความอับอายอย่างมากฝ่ายพ่อค้าวานิชผู้มีอารมณ์ขันเมื่อกลับมาถึงบ้านก็เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นคือหลานชายได้ไปขโมยของมีค่าของผู้อื่นมา และนำมาซ่อนไว้ในร้านของพ่อค้าเมื่อพวกเจ้าของติดตามมาพบสิ่งของนั้นเข้าจึงจับพ่อค้าและหลานชายพร้อมทั้งของกลางไปให้พระราชาลงโทษฝ่ายพระราชา ย, ยังไม่ได้ไตส่สวนทวนความให้ดีได้ดตัดสินให้ตัดศีรษะของพ่อค้าทันทีส่วนหลานชายกระรับสั่งให้เสียบหลาวทั้งเป็นอาจจา์ไว้ที่ภายนอกพระนคร เพือไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างออค้าผู้ไม่มีความผิดร้นถูกประหารชีวิตแล้วโดวยกุศลกรรมที่ทําไว้เพียงเล็กน้อยจึงได้ไปบังเกิดเป็นเปนเรตผู้มีฤทธิ์มีม้าอาชาในทิพสีขาวเป็นยานผ่านนะกลิ่นทิพหอมฟุ้งออกจากกายเพราะในสงฆ์การทำทางดยกะโลกศีรษะโค และการกล่าวสรรเสริญคุณของผู้อื่นจะกลับต้องเป็นผู้ป่อยกายเพราะบาปกรรมเพียงเล็กน้อยที่ได้นำเสื้อผ้างเพื่อนไปซ่อนเมื่อเพรสป่วยกายได้ตรวจดูป ร, ปรกรรมตนแล้วก็เกิดความสังเวชว่าตนเองทําบาปกรรมเพียงเล็กน้อยยังได้รับผลกรรมทั้งเพียงนี้ส่วนเจ้าหลานชายได้ไปขโมยของเขา อีกท้าไม่ได้ทำบุญอะไรเอาไว้เลยหากตายไปต้องตกนรกอย่างแน่นอนประเกิดความคิดห่วงใ ย, ยเช่นนี้เนี่ยและเห็นหลานชายถูกเสียบหลาอยู่อย่างนั้นโดยความสงสารจึงขึ้นมาอาชาในไปเยี่ยมหลานชายที่ถูกเสียบหลาทั้งเป็นในเวลาเที่ยงคืนได้ไป ย, ยืนอยู่ใกล้ๆและกล่าวทุกๆวันว่า เจ้าหลานลักเจ้าจงมีชีวิตอยู่ต่อไปเถิดการมีชีวิตอยู่เป็นมนุษย์นี้ดีเลิศประเสริฐนักหลานชายเมื่อได้รับพรแล้วก็สามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีกโดยอนุภาพของเวมานิกเปรตในขณนะดเดียวกันภายหลังจากที่พระเจ้าอัมพะสักระรับสั่งให้ประหารพ่อขาแล้วพระองค์ได้ทรงช้างพระทินนั่ง สเสด็จเวียนพระทักษิณปนาครขณะที่เวียนพระทักษิณอยู่นั้นทรงทอบพระเนตรเห็นหญิงงามคนหนึ่งซึ่งยืนดูการสเสด็จมาของพระองค์เพียงเห็นนางครั้งแรกเท่า น, นั้นก็ทรงมีจิตปฏิพัตรประหนึ่งว่าพระตกจากคอช้างเมื่อเวียนพระทักษิณปนาครเสร็จจึงเรีบสเสด็จกลับมายังพระราชมณียนรับสั่งราชบุตรคนหนึ่งว่า เจ้าจงไปสืบดูซิว่าหญิงนั้นมีสามีแล้วหรือยังเมื่อลาจจะบุรุษไปสืบดูแล้วก็กลับมากราบทูลว่าเธอมีสามีแล้วพระเจ้าค่ะเนื่องจากพระราชาถูกราคะดำกฤิศนาครอบงำพระไทยเขาเสียแล้วเลยคิดอุบายที่จะแย่งนางมาเป็นของพระองค์ให้ได้ จึงรับสั่งให้เรียกสามีของนา ม, มาเข้าฝ้าแล้วรับสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการคอยรับใช้ไกล่ชีดพลงสามีหนุ่มรู้ว่าภัยกำลังเกิดขึ้นกับตัวเองจึงพยายามทำงานแม่ขาดตกบกพร่องจนพระราชาหาความผิดไม่ได้ครั้นผ่านไปได้สองสามวันเท่านั้นพระราชาก็ออกอุบายที่จะกำจัดบุรุษนั้น โดยการให้เป็นนำดินสีอรุณและดอกบัวแดงมาจากสะโบกกรณีแห่งหนึ่งซึ่งอยู่นอกพนคัครและต้งกลับมาให้ทันก่อนที่พระทิจจะตกดินถ้าไม่เช่นนั้นจะลงโทษโดยการตัดศีรษะด้วยความหวาดกลัวตมรณภัยบุญดลผู้ะห์ร้ายกรีบออกเดินทางตั้งแต่เช้าตรู่ในวันนั้น พระราชาทรงรับสั่งให้ทหารเรียปิดประตูทุกด้านเร็วกว่าปกติตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่ทันที่จะอัดสะดงส่วนว่าบุรุษนั้นจะได้ดินสีแดงและดอกบัวแดงจากใครและจะมาทันเวลาก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินหรือไม่นั้นเวลาของรายการธรรมะเพื่อประชาชนสำหรับวันนี้ ใกล้จะหมดลงแล้วเราคงต้องมาติดตามรับฟังกันต่อในวันถัดไปแล้วจากเรื่องนี้จะเห็นได้ว่าบาปกับแม้เพียงนิดก็อย่าคิดทำบุญก็สนแม้เพียงเล็กน้อยก็ให้ค่อยๆทำไปเถิดบาปส่งผลเป็นโทษบุญจะส่งผลเป็นประโยชน์ต่อเราในอนาคต บาปที่เราทำแม้เพียงเล็กน้อยจะ ต, ต้องไปรับผลยาวนานซึ่งดูเหมือนไม่ค่อยจะยุติธรรมแต่ว่าในทางกลับกันบุญที่ทำแม้น้อยนิดก็จะส่งผลให้เราได้ไปสวยสุขยาวนานในปรโลกหลายภพหลายชาติเช่นเดียวกันนะจ๊ะในเรื่องของบาปอากุศลนี้เนะี่ยหลวงพ่ออยากให้ลูกลูก เชื่อตอนเป็นดีกว่าไปเห็นตอนตายแล้วค่อยเชื่อเพราะเมื่อประโยชน์ตรงจุดนั้นแล้วจะแก้ตัวก็ไม่ได้จะแก้ไขอะไรก็ทำได้ยากส่วนเรื่องของบุญกุศลก็ให้ทุ่มเททำกันไปเถิดเราะจะอานวยสุขต่อตัวเราในปรโลกอีกทั้งเป็นประโยชน์ต่อหมู่ญาติอีกด้วยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าถึงพระธรรมกายได้แล้ว เราจะเข้าใจเรื่องบุญบาปได้ดีขึ้นกว่าตอนนี้ที่เราคิดว่าเข้าใจแล้วฉะนั้นน่ะให้ลูกๆทุกคนตั้งใจปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายกันให้ได้ทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญ ให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบา ร, รมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพประนามัยมสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขยยืนยาวได้สร้างบา ร, รมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นมีสุข เป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเถิน